เก้าสิบหกนซ็กซคำสรนธานส kon ุณยงชูน์ e นอดิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดังฉ t นจะลุกขึ้นทันทีที r ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือฉันจะตื่นตระหนกทันทีที่ฉันเรยนหสฉันจะตื่นระานกทันทีที่ฉันเมีืต่นตรหีเร่ร ทันทีที่ดิฉันมีเวลาเขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลาทันท er, ีที่ดิฉัมีเวลาเขาจะโทรมาทันทีที่เานเท่าไหรท่ดิฉันมีเวลาเขาจะทราทันทีที่ามเวลาที่ดิฉันยาทาทังทีที่ามีเ ย้ยย า, าฉันจะทำงานเท่าที่ดีฉันยังแข็งแรงอยู่ยยย เ, าเาขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงานเขาอยู g e นเ s ียงอิสตีเด t หรอจับเขา อ, อ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว เขานั่งใน pub แทนที่จะกลับบ้านฮันน์ t ั่งอยู่ท a ่นี่ทั้งที่ดิฉันทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่ท่าที่ดิฉันทราบภรรยาของเขาไม่สบาย Så kona เท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงานโซวิตย์ฉันรู้ว่าเขาป่วยดิฉันนอนหลับเพลินมิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลาฉันมีปัญหาเรื่องการนอนหลั e ฉันไม่สามารถหลับได้ ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา mistet bussen ดิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลาฉันจะต i งเวลาฉั j ไ g i ได e f a n ร v เว e n